ต่อไปอธิษฐานอุโมสดก็ถ้าพิสูจอยู่รูปเดียวนะอยู่รูปเดียวเลยพิสูจนนั้นพึงทํากิจที่ควรทําให้เสร็จก่อนก็คือทำอุกคิวพอก่อนนะปั่นาลงบนสดในน้ำชาในพรุ่งนี้ครับทําพอรู้ว่าไม่มีพิสูจน์อื่นมานะถ้าเป็นวันสิบสี่ค่ำพึงกล่าวว่าไม่มีใครมาแล้วนะครับเราอยู่รูปเดียวนะแล้วก็ใช้วิทยาทิศฐางอุโมสดเลยนะเข้าไปในสีมา อัฏฐบากก็ไม่ต้องกลัวพ่ออยู่รูปเดียว <c oughs> ขออยู่ในสีมังกันแล้วกันนะแล้วก็อธิษฐานเลยนะครับอัชฌาเมอโปสโฉจตุทธโสอธิษฐานิวันนี้เป็นวันอุโบสถสิบสี่ค่ำของเราเราขออธิษฐานอุโบสถเป็นวันสิบห้าค่ำคุณกล่าวว่าอัญชฌาเมโปสถโฉปนาลสโสอธิษฐานิวันนี้เป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำของเราเราขออธิษฐานอุโบสถ วิธีทําอย่างนี้ชื่อว่าอธิษฐานอุโบสถเพิ่งทราบว่าอุโบสถมีสาประเภทเนื่องด้วยอาการที่ควรกระทําตามที่อาจารย์อธิบายมาเชนนี้นะครับมันจะมีปัญหาอย่างเดียวเวลาถ้ามันหาสีมาไม่ได้นะครับบางทีนั่งรถ อ, อย่างนี้นะถึงวันอุโบสถ ต, ต้องนั่งรอถทั้งวันเลยแต่บางทีเขาไม่ให้เดินทางแล้วมันอุโบสถเนี่ยนะครับไม่ให้เดินทางนอกจากว่า มีอันตรายนะครับหรือว่าไปกระสงนะถึงจะเดินทางไปได้หรือว่าเราคิดว่าจะไปลงปฏิโมงในวันนั้นทันนะครับภายในวันนี้นะอันนี้ถึงไปได้นะครับถ้าธรรมบารมีให้ไม่ให้เดินทางนะต้องลงปฏิโมงในวันให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะอนั้นต์ได้นะพอจะไม่เป็นอันตรายถึงโมสดนะครับต้องทำโมสดให้เสร็จก่อนอยู่นีไม่ใส่ใจโมสดเลยอ้าววันนี้หมอหนักผมต้องไป ยังไม่ลงปฏิโมกข์ อ, กอะไรเลยนะครับไปเนะี่ยยังไงก็ต้องออกจากว่าไปถึงเพียงแค่แบบนี้แล้วก็ไปเลยแล้วไปก็ไม่ได้ไปลงบัวสดว่าไหนไม่ได้ไปทันลงปฏิโมกว่าไหนอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะมีอาบัตินะงนี้ยท่านจะบอกไว้นะครับอบบ น, นี้ออกไปนะครับด้วยการอธิบายมาทั้งหมดนี้ย่อเป็นการแสดงบัวสดเก้าประเภท บัรดาอุโบสถเหล่านั้นอุโบสถที่ท่านแสดงไปแล้วในอุโบสถกรรมนี้หมายถึงที่นําพูดไวในอุโบสถกรรมนะครับพูดในนิทานอุโบสถที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะสามอย่างคือว่าตามวันก็เป็นวันอุโบสถสิบห้าค่ำนะใช่ไหมว่าตามผู้กระทําก็เป็นอุโบสถของสงก็สมเป็นคนทําว่าตามอาการที่ควรกระทําก็เป็นอุโบสถคือการสุปฏิโม เมื่ออุโบสถที่สมบูรณ์ลักษณะทั้งสามอย่างนั้นเป็นไปอยู่ในวันนั้นพิสุไม่ยอมทําอุโบสถนะเดินทางไปเพื่อจะอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่ไม่ใช่อาวาสอื่นที่ไม่มีพิสุอยู่นะครับนวันมีพระอยู่เลยหรือว่ามีพิสุอยู่แต่เป็นานานาสังวาส น, นะครับอันนี้ต้องบัติภิกขะนะไม่ได้นะครับเว้นเสียแต่ไปกับสงหรือว่าเมียนตราก ถ้าไปกระสมก็มีปัญหาใช่ไหมแล้วครบองค์สงก็ไปตัวลงปฏิโมที่นั่นได้ใช่ไหมครับหรือวา่ามีอันตรายนไปในนี้เขาไม่เป็นไรไมีเหตุพิเศษนะหรือว่าวัานนะั้นมีพระอยู่นะแล้วเราคิดว่าสา ม, มารถไปคันในวันนั้นได้ไครับแล้วก็จะไปลงปฏิโมกของเขาแต่ถ้าว่าไปไม่ถึงลงปฏิโมกเนี่ยไม่ได้นะเข้าลงปฏิโมกกี่วันนะั้นลงปฏิโมกันสีโมงเย็นนะครับแต่เราจะเดินทางไปถึงเนี่ยตอนสองทุ่ม <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ควรไปนะครับพ่อจะเป็นอันตรายแต่โอ่งโบสถ์ถือว่าเราไม่ได้ทำโอ่งโบสถมันจะมีอาบัต น, นะครับในที่นี้ <c oughs> ขาวสื่อว่าไม่มีสีมาเลยใช่ไหมครับเราไปอยู่กลับไปที่บ้านผมอย่างนี้น่ะหาสีมาไม่ได้นะครับผมก็ลงแม่นะวิธีทำเหมือนกันเลยพินัดพินสถานที่เฉยเฉยนะครับอาจจะเป็นแม่นะบ้างป่าบ้างนะแต่การทำโอ่งสถคือเหมือนกันถ้าสีลูกก็อง์งสุดปฏิโมได้เลยนะครับมันจบนั่นแหละ สลูกก็บอกบริสุทธิ์ได้เลยนะครับถ้าสามลูกก็ตั้งยติใช่ไหมบอกบริสุทธิ์ที่ถ้าสองลูกบอกบริสุทธิ์ที่อย่างเดียวถ้าลูกเดียวก็ลงไปได้แม่น้ํำไปฐานเลยนะครับอตรงที่เป็นยติน่ะตรงที่เป็นยติต้องตั้งยติอะไะต้องตั้งยติอภิขหาวิบัติไม่ได้เลยแต่เวลาตอนสวดก็ไม่เป็นไรนะถึงจะไม่ได้อะไรก็กล้มไม่เสียหรอกเราดูเวลาเข้าสวดปฏิโมกข์น่ะตอนตั้งยติจะเน้นใช่ไหมครับ แต่ตอนที่เห๋ยวก็ไม่ได้เน้นแล้วนะที่เน้นกันทุกตัวของเราหบังกันต้องคนที่ค่องจริงนะเน้นกันตั้งแต่นู่นนิทาเนี่ยยานอะไรเสียเคลว่านั่นนะโอ้คงใช้เวลากันนะครับเน้นตอนตอนนั้นนะตัณฑ์ตินะครับสุนะตุเมพันเตตังโคลนั่นนะคุณจบนะครับตะเลยานะในในหนังสือเนี่ยมันไม่มันน่ารศหรือจะโศเนี่ยไม่มี แต่ว่าถ้าเราไปโบกย่ต้องมีอ๋อใช่ก้ต้องเปลี่ยนถ้าจะเป็นศิษยข้ามก็ต้องเป็นจานศิย์่าโสอาชาเมลกูสโธปรโสทิฏฐานความจริงก็ได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีอะไรก็ได้เหมือนกันนะครั บ, อ, รรรบอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น่ทิฏฐานอ๋ทนอทิฏฐานโสถนะครับเนี่ยก็ได้ไม่ต้องสามแบบนะครับนะดูหน้าสิบสิบอด บสบสม์วิทยา41นะครับไปเปิดดูนะอันนี้มีได้เยอะนะครับหลายแบงนะเราจะเอาตามพระบาลีเป๊ะเลยก็ได้นะครับตรงพระสามสามรูปครับอ๋อสามรูปใช่ไหมสามรูปหน้าสามสิบเก้าครับอ๋อมีน้าสามีตรงคำ ว, ว่ายตินะครับเห็นไหมคือเราต้องบอกะนาาะกกแล้วแต่ว่าวันนั้นเป็นวัน สิบสี่หรือว่าสิบ้าขครับต้องบอกว่าข้อในนี้มันไม่มีอ๋อมีนี่ครับตรงยติไงสูตรนั้นตูมัยอัสฉริตาชุปโสรสโตปนาลโสไม่ได้ขึ้นยตินี่แหละคือยติครับอกไม่ใช่ก่อนก่อนเขาว่าวิธีบอกผลิตุที่น่ะมีคําว่ายติอย่นะครับมันไม่ใช่ในโบผมเคยไปเนี่อาจารย์โสภุครับเขาบอกผมมาบอกว่า เนี่ยให้ อ, อันนี้แหละลูกไปดูหัวนี้แหละอ๋อถ้าไม่ใช่ในโบนี่มันช่ไ ม, ไม่ตั้งแคบบ่ติอ๋อคือต้อ ง, ต, องต้องทําในสีมานะคะรับพวกที่ต้องทํำในสีมานะถึงถ้าถ้าเป็นสีมาธรรมชาติสีมาแม่น้ำนี้นะเ<อ>นี่ยก็ต้องตั้งถ้าสามก็ต้องตั้งให้ตินะครับเด็กที่มันเป็นเรือต้องตั้งเหมือนกันนะครับนะ่าตั้งเหมือนกันอันนี้นะครับมาดูหน้าสนะิบเอ็ดหน้าคำทิฐิฐานในโบสดนะนะครับเราที่ิฐานอย่างนี้ก็ได้นะ อัชะเมอุโปโสโธอธิฐามิอย่ น, นี้นะครับหรือหมายเหตุถ้าตามข้าบารีนั่คืออัชะเมอุโปสโธอันนี้ฮนะ ต, ตามตามข้าบารีนะครับถ้ามาในสมันตากคืออัชะเมอุโปสโธปณัสโซสมันตานะครับถ้าตามในกังขานี่ที่เรากำลังเรียนหน้ายาวไงอชะเมอุโปสโธปนสัสโซอธิฐามิ อันนี้นานๆไม่ได้ใช้นะครับของหลวพ่อก็ทําโอถ้าบอกว่าพิสูจจารึกฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้ายังมีอาบัติท่านแนะนําไวา้ว่าแม้อยู่ไกลก็ควรไปทําคืนไปปองเพื่อถ้าไม่สามารถจะไปถึงได้ให้ผูกใจไว้ว่าเราพบพิสูจนแล้วจะทําคืนอาบัติและเจออจิฐาอุโบสถได้นะครับครั้งทําคืนอาบัติแล้วเจอือจิทานอุโบสถใหม่อีก ถ้ายังอยู่ในวันนั้นถ้าไปผู้เดียวเนี่ยถ้ต้องมีอาบัติอยู่นี่กไม่ไม่ครับก็ไปปองอาบัติเสียนะแต่ถ้ามันหาพ้าไม่ได้จริงนะครับให้เราทําใจไว้นะครับว่าเจอเจอพิสูจน์เมื่อไหร่นะแล้วก็จะปองอาบัติกับท่านนะครับแต่ละกองที่ฐานเลยครับถือว่าใช้ได้ครับเพราะ่มีปัญหาว่าผูไปเจอเน่ยโอ้วันนั้นก็ไปเดินทางซึ่งเข้าจะให้กลับแล้วไปหมอเขียวนะ ลำบากเลยเขาคืออย่างที่หมอในวันโบสดทําไงกลางอยู่ในรอดนะหลังจากที่ฐานยังไงก็สีมาเร่มีจอดสีมาหมูบ้านโอฮะไม่รู้ข้อเข็มจีหมู่บ้าอะไรอ่ะลำบากเลยนะถ้าไม่เดินทางพอฉะนั้นอย่างไม่ไม่เดินทางใครอยาเดินทางถ้าแม่นันจีไม่เดินทางก็ทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปนะ